เป็นธรรมะอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาพระอริยสงใดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลละคุณเป็นต้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคสีผลสีข้าพเจ้าขอกราบบาย้พระอริยสง์นั้นผู้เป็นนาบุญอันเยี่ยมของโลกบุญอันใดที่ข้าพเจ้าทาให้เกิดขึ้นด้วยการนอบน้อมพระรันาตนตัยอย่างนี้ ด้วยเดชแห่งบุญอันนั้นจงให้อันตรายหายไปจากข้าพเจ้าในที่ทั้งปวงจงให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากอันตรายมิรินทปกรคือคำพีมิรินอันใดที่ประกอบด้วยปุจชาพยากรมีอยู่ขอท่านทั้งหลายจงฟังปัญหาทั้งหลายอันละเอียดลึกซึ้งที่มีอยู่ในคำพีมิรินทปัญหานั้น เพราะการฟังมิลินธ้ปัญหานั้นจะทาให้เกิดประโยชน์สุขพุทธพยากรณ์ในวันปรินิพานเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเหล่าพระภิกษุ ส, สงฆ์เป็นอันมากสเสด็จไปที่เมืองกุสินารามหานครในเวลาที่จ ะ, สะเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานพระพุทธองค์ทรงบันทมบนบันลังหันพระเศียรไปทางทิศอุดร ในระหว่างนางรังทั้งคู่อันมีอยู่ในพระราชอุทยานของพวกมันละกษัตรแห่งเมืองกุศินาราจึงตัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้รู้ว่าสังขารทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำกิจทั้งปวงด้วยความไม่ประมาทเถิด ธรรมวินัยอันใดเราบัญญัติไว้แล้วเมื่อเราล่วงลับไปแล้วธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นรู่ของพวกเธอเมื่อเราบรินิพานแล้วพระมหากัสปะจะระลึกถึงถ้อยคำที่ไม่ดีของสุภัตถภิกขุผู้บวชเมื่อแก่และจะกระทาสังายนาเพื่อรักษาพระพุทธวจนะ ไว้มิให้คาดเคลื่อนตอนนั้นไปอีกหนึ่งร้อยปีพระยะศักกะกันทกะบุตรผู้จะย่ำยีซึ่งท้อยคำของพวกภิกษุวัตชีบุตรจะได้กระทำสังขยานาครั้งที่สองต่อไปอีกได้สองร้อยสิบแปดปีพระโมกขลีบุตรติสเถระผู้จะลบล้างลัทธิของพวกเดรทีภายนอก จกได้กระทาสังายนาครั้งที่สามต่อมาภายหลังพระมหินฉะเทระจะไปประดิษฐานศาสนาของเราลงไว้ที่ตามพระปัิทวีปลงเล็บรังกาต่อจากเราปรินิพานไปร่วงได้ห้าร้อปีจะมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อว่ามิริน ผู้ได้สร้างสงมบุญบา ร, รมีไว้ดีแล้วจะทำให้เกิดปัญหาอันละเอียดขึ้นด้วยอนุภาพปัญญาของตนจะย่ำยีเสียซึ่งส ม, มณพานทั้งหลายด้วยปัญหาอันละเอียดจะมีภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่านาคเสนไปทำลายถ้อยคำของมิลินทราชาทำให้มิลินทราชา เกิดความร่าเริงยินดีด้วยอุปมาเป็นอเนกจะทำศาสนาของเราให้หมดเสียนน้ำหลักต่อจะทำศาสนาของเราให้ตั้งอยู่ตลอดห0 0พันพรรษาดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดเกิดในตระกูลในเวลาล่วงได้ห้าอปีจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนั้น ผู้นั้นจักได้ชื่อว่ามิลินทราชาสเสวยราชอยู่ในสาคนอคอนครอันเป็นเมืองอุดมมิลินทราชานั้นจักได้ถามปัญหาต่อพนาเกษมมีอุปมาเหมือนกับน้ำในแม่น้ำคงคาไหลไปสู่มหาสมุทรสาคูฉนั้นพระองค์เป็นผู้มีถ้อยคำอันวิจิตได้เสด็จไปหาพนาเกษม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 มารถอันค่องแค้วอีกทั้งหมู่สตรีล้วนมีรูปร่างสวยงามต่างเที่ยวสัญจรไปมาทั้งเป็นที่พักพาอาศัยของสมณพามพ่อค้าสามัญชนต่างๆเมืองสาวชนคนครนั้นสมบูรณ์ด้วยผ้าแก้วแหวนเงินทองยุ้งฉางของกินของใช้ มีตลาดร้านค้าเป็นที่ไปมาแห่งพ่อค้าข้างนอกเมืองก็บริบูรณ์ด้วยพืชข้าวกาอุปมาเหมือนข้าวกาในอุตรกุรุทวีปหรือไม่ก็เปรียบเหมือนกับอาระกะมันธาอุทยานอันสถิตยอยู่ในสวรรค์ชัน้นจจตุมหาราชฉนั้นสรุปหัวข้อปัญหา ท่านพระนามาถึงตอนนี้แล้วจึงได้แยกเรื่องไ้หกเรื่องคือบุพโยคหนึ่งวิริชนปัญหาหนึ่งเมนทะกะปัญหาหนึ่งอนุมานปัญหาหนึ่งลักขณะปัญหาหนึ่งอุปมากระถาปัญหาหนึ่งฉะนั้นก่อนที่ท่านจะพบกับเนื้อความในหนังสือเล่มนี้ต่อไป ผู้รวบรวมขอสรุปหัวข้อปัญหาให้ทราบไว้ก่อนดังนี้ 1. บุพโยคคือเรื่องเบื้องต้นก่อนที่จะถามปัญหา 2. มิลินทปัญหาเป็นปัญหาที่พระเจ้ามิลินถามปัญหาชุดนี้มีเจ็ดวัก 3. นอกวักมีเพียงปัญหาเดียวคือโคตมีปัญหา 4. เมธกะปัญหาคือการถามปัญหาที่เป็นสองแง่ปัญหาชุดนี้มี9วัรห้าอุปมาปัญหาว่าด้วยอุปมาต่างๆปัญหาชุดสุดท้ายนี้มีเจวักเมื่อจบการถามตอบปัญหาแล้วก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ต่างๆ ต, ต, ต่อมาพระเจ้ามิรินได้ร่งสระราชสมบัติ